ด้วยพระนามของ a ลล a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ um การสะสมทรัพสมบัติได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน จกกระทงพวเจ้้้าาไไดเขปเือนหลุมฝังกเปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้รมิใช่เช่นนั้น ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนพวกเจ้าจเห็นไฟที่ลุกโชนแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาอย่างแท้จริงแล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับ ในโลกนี้